ดีแล้วที่เราได้มีโอกาสได้มีโอกาสได้เข้ามาอายุยังไม่มากอายุยังไม่มากกันเท่าไหร่ในเรื่องของการเข้ามาจะทำความรู้จักตัวเองสำหรับอาตมาเองกว่าจะรู้จักตัวเองได้ก็30สิบกว่าอายุสาสิบเจ็ดปีแต่ก่อนไม่รู้จักตัวเองรู้จักแต่คนอื่น คนอื่นดีคนอื่นชั่วนะคนอื่นทําให้เราเสียใจนะคนอื่นทําให้เราไม่พอใจนะรู้จักแต่ข้างนอกแต่เราไม่มีโอกาสได้กลับเขามารู้จักข้างในเลยเขาพอเขามาเข้ามารู้จักตัวเองก็มีแต่ความโกรธนะความอาฆาตความพยาบาทความเกลียดความชังความรัก ไม่รู้นะไม่รู้จักตัวเองพอได้เข้ามาเจริญสติอาตมาเข้ามาก็เป็นอย่างบุญนะที่ได้เข้ามาแล้วได้เข้ามาถูกทางนะเข้ามาถูกทางได้มาเจอครูบาอาจารย์เหมือนที่ท่านบอกเมื่อเช้านี้พาเราไปถูกทางเราไม่ไปหลงทางไม่ไปเสียเวลา ไม่เสียเวลาอาตมาก็ทำมาก็ประมาณสิบห้าปีแต่ก็ทำมาต่อเนื่องต่อเนื่องในเรื่องการเก็บอารมณ์ก็เป็นเดือนบางทีก็เป็นเดือนอยู่คนเดียวจันเมื่อเดียวอยู่คนเดียวอยู่ในป่าอยู่ในถ้าบ้างสี่สิบห้าวันบ้าง มันเห็นประโยชน์เห็นประโยชน์ที่เราได้รับแต่จริงๆน้าอาตมาเข้ามาทำทีแรกอาตมาก็ไม่รู้ไม่รู้จักว่าความรู้สึกตัวสติก็ไม่รู้จักเราก็มีสติอยู่แล้วเอ๊ะทำไมต้องมาสอนเรื่องสติอีกนะแตส่สติทางโลกทางสัญชาตญาณเนะี่ยก็มีเหมือนกันทุกคน แต่ว่ามันมันไม่พอใช้มันเป็นสติที่มันยังไงอะ่ะสติเหมือนกันทุกคนอะ่ะนะมีเหมือนสัตว์แคระยานหมูม้ม า, าไก่อะไรมันก็มีนะสัตว์อีรา้ามันก็มีนะมีเหมือนเราจะไปก็ไปจะลุกก็ลุกจะนั่งก็นั่งจะเดินก็เดินร้อนก็นหาที่ล่มอยู่อย่างเนี้ยมันก็มีเหมือนกันนะ แต่พอเราได้เข้ามานะก่อนที่จะเข้ามามันก็มันก็มีทุกข์กันนะก็คือทุกข์มันหาทางออกไม่ได้ก็ไปตามคำบอกของเขาว่าบางทีเราไม่มีทางออกเนี่ยเราเราพึ่งตัวเองไม่ได้เราก็ต้องพึ่งคนอื่นเขาพึ่งคนอื่นคนอื่นเขาก็ไม่รู้เหมือนเรา นะเขาก็แนะนนำเราไปให้ไปสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาไปอาบน้ำมนต์พ่นน้ำหมาอะไรเยอะแย ะ, ยะไปหมดเลยนะไปสวดพานยักษ์ไปกับเขาก็ไปทำทุกอย่างว่ากรรมเรานะดวงเราไม่ดีกรรมไม่ดีนะก็ไปตามที่เขาบอกนะแต่ว่ามันก็แก้ไม่ได้กลับมาก็ทุกเหมือนเดิมไปทำบุญมาเจ็ดวัดเก้าวัด กลับมาก็ทุกข์เหมือนเดิมเอ๊ะถ้าจะแก้อย่างไรนะเราทุกข์ขนาดนี้แก้ขนาดนี้ก็ยังยังยงทุกข์อยู่ยังทุกข์มากอยู่อตมาก็เลยสุดท้ายนะสุดท้ายก็เลยคิดว่าคงจะมีหนทางอยู่หรอกถ้าเราออกมาทางนี้นะตาก็ได้เข้ามาบวช น่ะเข้ามาบวชก็พอดีน่ะได้เข้ามาเจอครูบาอาจารย์ในสายหลวงพ่อเทียนพอดีมาเจอแต่อัตามาก็ไม่รู้ท่านก็ไม่ไม่ได้ตั้งใจสอนเพราะว่างานท่านก็เยอะท่านก็บอกว่าให้เดินจงกรมสร้างจังหวะสร้างจังหวะเราก็พุทไปโทรไปตั้งจังหวะไปด้วยก็พุท ด, ด้วยโทรด้วยนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาให้ทํำยังไงท่านก็บอกให้รู้สึกตัวรู้สึกตัว ไอ้เราก็กลัวมันไม่รู้สึกตัวยกมือนะเนี่ยก็พูดไปด้วยโทรไปด้วยนะเดินก็เหมือนกันอืมกลัวกลัวมันไม่รู้สึกก็ทําไปพอมาเจอครูบาอาจารย์บอกไม่ต้องภาวนาไม่ต้องพูดคําบริกรรมนะไม่ต้องใส่คําบริกรรมให้รู้สึกเฉยเฉยไอ้เราก็งงอีกรู้สึกเฉยเฉยรู้รู้แบบไหนรู้เฉยเฉยนี่อืมมันจะรู้ยังไงรู้เฉยเฉยอืมเราก็ไปหาไอ้ตัวเฉยเฉยอีก รู้ยังไง ร, รู้เฉยมันรู้ไม่เป็นอนะ่ะเพราะว่าสติของเรามันยังไม่พอนะก็ยกนะอาตมาก็ยกมือสร้างจังหวะ น, นะอาตมาเนี่ยทำมาสามเดือนในในพรรษานะทำสามเดือนไม่รู้เลยแต่ว่าผลของมันก็คือมันสะสมมันมันสะสมทีเราหน่อยแต่มันไม่ได้มากอนะ่ะเพราะว่ามันมันไม่ได้รู้มากเพราะว่าเราเราเรายังไม่รู้วิธีแต่ก็ทําไป เพราะว่ามันทุกข์อ่ะไม่รู้จะทำอะไรนะให้ยกมือก็นั่งยกมือไปนะก็มีไม่มีใครที่จะมาแนะนำเหมือนหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อนี่ท่านตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะเราถ้าคนตั้งใจจริงๆเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจได้ในเรื่องของการปฏิบัตินะเพราะว่าท่านจะเรียงลำดับให้เรารู้เลยว่าในการปฏิบัติเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยเป็นยังไง นะสําหรับที่ในเรื่องของการปฏิบัติแต่อาตมาไม่มีใครบอกแบบนี้อาตมาเข้ามาที่แรกไม่เจอยังไม่เจอหลวงพ่อนะยังไม่เจอหลวงพ่ออาตมาก็บวชเข้ามาก็อยู่ในวัดบ้านแต่ก็เขาก็ปฏิบัติแบบเรานี่แหละแต่ว่าครูบาอาจารย์เขาก็ไม่ได้มาสอนเราเอาจริ ง, เ อ, รงเอาจังแต่ในที่สุดก็ทำใบธรรมมาได้สามเดือนออกพรรษาเห็นเพื่อน เห็นเพื่อนเขาลาสิกขาไปหมดเอ้ปฏิบัติธรรมบวชเข้ามาปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ได้อะไรนะทุกข์มันก็ยังอยู่มันเดิมมากขึ้นกว่าเดิมอีกมันสะสมมากขึ้นกว่าเดิมนะเขาบอกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเพื่อให้มันออกจากทุกข์ได้ทำไมมันทุกข์มากกว่าเดิมนะก็เลยถามครูบาอาจารย์ว่าทำไมปฏิบัติยิ่งปฏิบัติไปยิ่งความคิดมันยิ่งเยอะ แต่ความคิดมากมันเอาความคิดออกไม่ได้มันสู้ความคิดไม่ได้มันก็ไปเป็นกับความคิดวนอยู่กับความคิดนั่นแหละนะความคิดนะคิดไปคิดมาก็ทุกไปกับความคิดวนอยู่กับความคิดออกจากความคิดไม่ได้นะมันก็เห็นแต่นี้เรื่องของความคิดแล้วก็พอในสุดก็บอกว่าโอ้อาจารย์อยู่ไม่ได้หรอกนะถ้าอยู่แบบนี้ผม ตายแน่เลยนะอยู่ไม่ได้ที่ไหนมีที่ปฏิบัติบั่งนะถ้าไม่ได้ปฏิบัติถ้าผมอยู่แบบนี้ผมก็ต้องลาศิกขาก็บอกอาจารย์อาจารย์ก็บอกไปมีอยู่นะมีอยู่แต่ว่ามันต้องมีข้อแม้ในสายของหลวงพ่อเทียนข้อแม้ก็คือหนึ่งต้องเลิกบุหรี่สองกาแฟนะ ไม่ให้ทั้งกาแฟไม่ให้ทั้งเครื่องดื่มทุกอย่างนะที่เป็นสิ่งกระตุกกระตุน้นไอเราก็ติดกาแฟะนะตอนนั้นติดกาแฟแล้วก็ติดบุหรี่ใจนึงมันก็ไม่อยากมาใจนึงมันก็ถ้าให้มามันก็จะทุกตายเนะนะี่ยนะก็ตัดสินใจเอาลองดูนะว่ามันจะเป็นยังไงก็ลองดูถ้ามันไม่ถ้ามันไม่จริง นะถ้ามันช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วก็จะกลับมาลาสิกขาก็ไปไปพอดีไปเจอหลวงพ่อมหาพอดนะีไปเจอแต่ก่อนท่านเข้มมากนะอายุห้าสิบตอนนั้นโคเข้มมากๆเลยนะปฏิบัตินี่พระทั้งพระทั้งโยมนี่โอ้ยนะนั่งหลับก็ไม่ได้นะทุกอย่างเลยนะนะ ท่านจะคอยดูเราตลอดเวลานะคอยดูเราตลอดเวลามันก็ทุกข์มากะนะคนเนาะมีคนมาคุมแล้วก็ลุกกระลุกไม่ได้จะเดินก็ต้องโอ๊ยลำบากจะเข้าไปไหนนะทำอะไรก็ยากให้เราก็เอาดูที่ว่ามันจะเป็นยังไงนะก็ทาอยู่นะทาอยู่สามวันมาทาอยู่สามวันก็เข้าใจเรื่องนี้ แต่ว่าที่จะเข้าใจเรื่องเนี้ยคือมันสะสมเนี่ยแบบพวกเราที่มาทําทําทําทํากันไว้มันสะสมเรื่อยสะสมเรื่อยแต่เราไม่รู้นะว่าเราได้มันเบื่อมันเซง็งมันอะไรแต่เราก็ทําไปอ่ะแต่เราไม่รู้ว่ามันได้ก็ทําไปแต่ว่าอาตมาไปเจอพอเจอครูบาอาจารย์จริงมันไปก็คือท่านจะมาพูดแบบเนี้ยพูดลําเลียงเรื่องการปฏิบัติเรื่องสติเรื่องความรู้สึกตัวพอมาพูดเราก็เข้าใจเข้าใจแล้วเราเราก็มีกําลังใจนะ มีกำลังใจที่จะต่อสู้กับพวกนี้แต่ตมานี่จะเป็นคนที่ง่วงมากง่วงแล้วก็คิดนะเพราะว่าอดีตมันมากนะอดีตมันมากอดีต ก, ก่อนๆเนี่ยมันมันมากเราสะสมไว้มากมันไม่เคยสะสารเลยมีแต่สะสมอย่างเดียวนะมันพร่มากเข้ามากเข้ามันมันก็เต็มที่ปฏิบัติพอยกมือนี่กับความคิดที่กันวิ่งชนเลยยกมือความคิดก็วิ่งชนเลยโอ้โหตาย พอออกจากความคิดก็มาความม่วงอายนะเอ๊ทาไงเนี่ยปฏิบัติไปก็ยิ่งทุกข์มากเข้ามากเข้าก็บอกว่าแตมาไปถึงวันที่สองสองวันก็ยังเป็นเหมือนเดิมวันที่สามโอ้ถ้าเข้มแบบนี้เราจะกระดูกกระดิไปไหนก็ไม่ได้นะเข้มแบบนี้ก็ว่าจะหนีกลัดนะวันวันวันวันที่สามเนี่ยว่าจะกลับเขามีอยู่แค่ห้าวันสมาวะเอาวันนี้ก็วันสุดท้าย อาตมาก็เลยนั่งปฏิบัตินะวันวันที่จะรู้รู้จักความรู้สึกตัวนะรู้รรเรื่องอารมณ์รูปนามนะอาตมาก็นั่งนั่งปฏิบัติร่มไม้ก็มันจะมีบอกรุ้งรอบมาเลยที่จันบุรีบอกรุ้งเครื่องเสียงเครื่องดังแล้วก็ในศาลานี่ก็คนเยอะนะปฏิบัติกันคนคนก็มากเสียงก็ดังนะแต่เราก็ไปนั่งอยู่ข้างเมีนทางโ้นทางมันก็ไม่ห่างกันรถวิ่งเข้าวิ่งออก มันก็รำคาญไปหมดนะรำคาญทั้งคนรำคาญทั้งเสียงรถรำคาญทั้งเครื่องสูบออกกุ้งอะ่ะมันดังลอกไปหมดเลยจิตของเรามันไม่ได้อยู่อยู่กับกายน่าถึงนั่งยกมือมันก็ไม่อยู่มันไปอยู่กับเสียงพวกนั้นหมดแล้วก็ไปอยู่กับความคิดแล้วก็ไปอยู่กับความง่วงแต่วันนั้นก็วันสุดท้ายแล้ววายัางไงก็ไม่ไหวก็จะจะกลับแล้วจะหนีกลับแล้วก็นั่งตั้งแต่ฉันอาหารตอนเช้าเสร็จก็ทันลต้มเสร็จ ก็ประมาณเจ็ดโมงคึ่งก็นั่งสร้างจังหวะแต่จะามานั่งสร้างจังหวะไปเนี่ยมันทั้งความคิดทั้งความง่วงนี่เยอะมากเลยถ้าไม่คิดก็ง่วงไม่ง่วงก็คิดพอนั่งไปนั่งนั่งมามันก็ปวดขึ้นมาอีกขาเนี่ยปวดมากเลยปวดเหมือนขาจะหลุดเลยเอา้าก็เลยบอกว่าถ้าจะตายก็ตายในวันนี้ให้มันตายไปเลยนะพราเอกเนี่ตายข้าก็ตายเนะี่ยก็คิดว่าอย่างนั้นนะอืม ถ้ายังไม่ตายค่าก็ตายคุณบอกงนี้ก็เลยนั่งไปเอามันปวดให้มปวดไปอออกจากความปวดก็ไปง่วงออกจากง่วงก็ไปคิดคราวนี้เพิ่มมาสามเลยคนเนี้ยโอ้โหจะออกทางไหนเนี่ยพอทําไปทํามานะประมาณสักสองชั่วโมงเนะ่ะประมาณสักสองชั่วโมงใกล้จะสิบโมงแนละ้วพอยกมือสร้างจังหวะแต่มันยกมือสร้างจังหวะแต่มันไม่ได้ไปไม่อยู่กับการเคลื่อนไหวของเราไม่ได้อยู่กับมือ มันไปอยู่กับความม่วงมันไปอยู่ความคิดมั่งนะไปอยู่กับความปวดขาเนี่ยแต่ อ, อัตมาไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนั่งนั่งไม่เปลี่ยนเอามันจะปวดดูว่า è, ตัวไหนมันจะแรงมากกว่ากาันนั่งไปนักมาจิตมันทุกข์มากเลยตรงเนี้ยจิตทุกข์มากพอทุกข์มาก อ, าอัตมายมก็คงจะเคยเห็นหลวงพ่อเทียนที่ท่านพาชาวสิงคโปร์เนะี่ยเดินรอบที่ ท, ที่ในห้องอ่ะหาทางออก Barcel อะ่อะมันจะหาทางออกอ่ะจิตมันหาทางออก ทั้งๆ ท, ที่มันมีทางออกแต่มันออกไม่ถูกนะเนี่ยความรู้สึกตัวเรายกมืออยู่เนี่ยเอมันไปอยู่กับสามตัวนะนะั่นน่ะเราก็นั่งยกมือไปมันก็ยิ่งทุกข์มากเข้ามากเข้าพอทุกสุดถึงที่สุดของมันแล้วนะ่ะโดยท้ามันจะถึงที่สุดละมันก็เลยออก ม, มันมันารู้สึกจุดที่มือปุ๊บพอยกมือขึ้นกระแคงขึ้นความลงโอ้โ ห, โหนะตอนนี้แหละนะความคิดหลุดออกไปก่อนความคิดความง่วงหลุดออกไป ความปวดเอ๊ะมันหายไปไหนเนี่ยปวดอะ่ะที่ที่มันมาปวดเมื่อกี้เนะี่ยมันหลุดออกไปหมดเลยหลุดออกไปทั้งสามอย่างควา ม, มง่วงความคิดนะความปวดคราวนี้ก็มีแต่ความดีใจโอ้โหมันได้ปีติแรงมากเลยตัวนี้คราวนี้นั่งนั่งก็นั่งต่อนะไม่ลุกนะนั่งต่อกลัวกลัวมันจะหลุดกลัวกลัวมันจะหายไปนะ มันจะหายไปก็นั่งต่อนั่งนั่งไปนล้วมาลืมฉันข้าวเขาตีระครังไม่รู้เรื่องเลยก็เลยเลยเที่ยงไปก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่หิวนะมันก็ไม่หิวอพอเลยเที่ยงไปรู้ว่าไม่ได้ฉันข้าวแล้วคราวนี้ก็มาลุกเดินเดินก็เบา่นะเดินก็เบาทาั้งที่เดินตากแดดมันก็สบายนะยิ้มได้นะยิ้มได้สบายนะแล้วเสียงที่อยู่รอบๆเนะี่ยมันไม่ มันไม่เข้าไปในหูเลยนะเข้าไปในหูแต่ไม่เข้าถึงใจเสียงเหมือนเดิมแต่ว่ามันไม่ไปหงุดหงิดราคาญกับเขาละทั้งรถวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยตาหินเหมือนกันมันก็ ม, มันมั น, ม, นมันก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของใครไปใครมาโอ๋ยตอนนี้นะมันก็บอกว่ามันก็อุทานออกมาบอกไม่กลับไปอีกแล้วนะไม่กลับไปอีกแล้วไอ้คําว่าไม่กลับไปอีกแล้วเนี่ยเราก็ไม่รูย้ย มันไม่กลับไปไหนไม่กลับไปวัดเหรอแต่คิดแล้วว่าว่าจะไปต่อก็เลยว่าถึงวันที่สี่ก็เลยบอกอาจารย์ว่าจะไปรับอาจารย์ที่รับไปบวชกับเขาก็บอกว่าอาจารย์ผมยังไม่กลับนะผมจะไปต่อก็บอกบอกอาจารย์ไม่ต้องมารับผมนะผมจะไปต่อก็เลยมาต่อตั้งแต่ปีสี่ห้านะอาตมาออกมานะ มาต่อเรื่อยๆเรื่อยๆก็มากับหลวงพ่อนะมากับหลวงพ่อตลอดนะแล้วก็ได้ช่วงนั้นเข้าเก็บอารมณ์เข้าอะไรปฏิบัติเข้มกันมากช่วงช่วงช่วงนั้นนะแล้วมาเห็นผลตรงนี้ก็คือเราจิตเนี่ยมันถึงที่สุดของมันเนี่ยมันสามารถที่จะออกมาออกมาเนี่ยออกมาตั ว, ตวที่เรายกมือสร้างจังหวัดแต่มา ถ้าเรายกมือสร้างังหัวหรือเดินวงกลมเนี่ยถ้าเราสู้นิวรนพวกนี้ไม่ได้เนี่ยมันจะไม่ขาดจากกันคือความง่วงเนี่ยความง่วงเนี่ยมันง่วงมากๆเข้าเนี่ยบางทีเดินไปเดินมาถ้ามันง่วงมากเข้าเท่าฝืนนะเราฝืนสู้กับมันอ่ะฝืนฝืนสู้ฝืนชนกับมันเนี่ยมันจะขาดออกจากกันเลยพอขาดออกจากกันปุ๊บเนี่ยไม่รู้มันหายไปไหนในความง่วงเนี่ยทั้งท้งที่มันง่วงโอ้โหยิงง่วงเหมือนใจจะขาดเลยนะพอมันขาดออกจากกันกันปุ๊บเนี่ย ความง่วงนี่ไม่ต้องไปไปนั่งหถาให้มันง่วงไปไปนอนลองไปนอนดูมันก็ไม่ง่วงนั่งหถาอยากให้มันหลับมันก็ไม่หลับนะเออมันก็แปลกเหมือนกันนะตมาก็เลยเห็นอันนี้ส่ตรงนี้ก็เลยตั้งแต่บัดนั้นมานะเลยเข้าใจเรื่องรูปนามนะเพราะว่าเราเนี่ยยกมือสร้างจังหวะเนี่ยจิตของเรามันไม่ได้อยู่กับการเคลื่อนไหวนะไม่ได้อยู่กับการเคลื่อนไหวแต่ว่า ไปโทษเขาก็ไม่ได้เพราะว่าสติของเราเนะ่ะมันยังน้อยมันมันสู้ความคิดไม่ได้นะสู้กับนิวรณต่างๆไม่ได้ความพุ่งสัน้นความอึดอัดขัดเคืองนะความแต่ความรังเลสงสัยอาตมาไม่ไม่ค่อยมีนะ่ะเพราะว่าพอมันสงสัยอะไรปุ๊บพอปฏิบัติไปเนี่ยมันจะถึงบางอ้อเลยนะพอถึงบางอ้อมันก็จะหายสงสัยเลยโอ้คออําคสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนของครูบาอาจารย์เป็นอย่างนี้มันจะหายสงสัย เนะีย่ยเราทาแบบนี้มันจะหายสงสัยเลยจะรู้ด้วยด้วยตัวเองเลยแหละว่าอะไรคืออะไรแต่ว่าที่มันยังไม่รู้ก็คื อ, อความรู้สึกตัวของเราเนี่ยมันยังมันยังไม่พอสติของเราเนี่ยมันยังไม่ไม่ไม่มากนะกำลังของมันยังไม่มากแต่ถ้ามันมากนะถ้ามันมากเนี่ยมันก็สามารถที่จะนะต่อสู้กับพวกนิวรณ์ต่างๆได้นะ เริ่มแรกก็คือเรื่องง่วงนี่แหละนะเรื่องง่วงเนี่ยจะมากนะเรื่องง่วงง่วงแล้วก็ความคิดออกจากความง่วงก็มาความคิดออกจากความคิดคิดเรื่องอดีตนะพอมันคิดเรื่องอดีตคิดไปคิดมาะคิดจนไม่มีเรื่องจะคิดที่ไม่มีเรื่องจะคิดก็คือคิดมาแล้วตัดคิดมาแล้วตัดคิดมาแล้วตัดคิดมาแล้วตัดคิดมาแล้วตัดตัดก็คือกลับมาลูกกลับมาลูกกลับมาลูกกลับมาลูกกลับมาลูก พอกลับมารู้เรื่องที่ใหญ่ใหญ่พอตัดบ่อยเข้าบ่อยบ่อยเข้าเหมือนเราตัดต้นไม้ตัดกิ่งตัดก้านตัดตัดไปเรื่อยๆรื่อเราจะตัดทีเดียวไม่ได้เรื่องไหนที่มันใหญ่ๆเราก็ตัดไปตัดไปตัดไปตัดไปจนในถึงที่สุดเนี่ยจนมันไม่มีอะไรให้เราให้เราจะตัดในเรื่องของความพิษตอนนี้พออดีตหมดแล้วเรื่องอดีตพอมาพอมันไม่ไม่ใช่ว่ามันหมดไปไหนนะก็คือเรารู้เท่ารู้ทันมันหมดแล้ว พอมาปุ๊บพอเห็นปุ๊บโอ้ยฉันไม่เล่นกับเธอละนะพอมาปุ๊บโอ้ยฉันไม่เล่นกับเธอละเราจะไม่เชิญเข้าบ้านเลยนะให้ผ่านไปผ่านไปผ่านไปพอบ่อยเข้าบ่อยเข้านานๆจะมาทีนานๆจะมาทีแต่เราก็รู้อ่ะมาเชิญเราก็ไม่เล่นกับเขานะแต่ว่าคราวนี้ออกจากความคิดที่ดีเอ่อความเรื่องอดีตก็มาเรื่องอนาคตคนนี้โอ้ยมาเรื่องอนาคตนี่ เขาเรียกว่ามืดสีขาวนะอดีต น, นี้มันมืดสีดํำน่ะมันสามารถมองเห็นได้ชัดใช่ไหมที่มันเคยผ่านมาคราวนี้มืดสีขาวดิโอ้โ่มันปรุงแต่งนะทั้งสร้างทั้งสอนนะจะสร้างอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลย ม, มันคิดดีอะ่ะนะเขาเรียกว่าคิดดีพอคิดดีคิดสร้างคิดสอนอยากบอกคนนั้นอยากช่วยคนนี้มันเกิดขึ้นมานะอันนี้ มันจะเป็นเรื่องของพอออกจากความคิดเรื่องอดีตออกมาเจออนาคตแต่ว่าพอเราอารู้วิธีแล้วนะคิดดีเราก็ตัดนะคิดไม่ดีเราก็ตัดแค่เป็นผู้ดูเฉยๆนะออกจากความคิดมารู้สึกตัวออกจากความคิดมารู้สึกตัวออกจากความคิดมารู้สึกตัวพอคิดดีคิดดีเพิ่เนี่ยบางทีคิดเรื่องเทพเรื่องธรรมเนี่ยนะ พอเราหยุดปุ๊บอ่ะก็หยุดเหมือนกันนั่งเฉยๆเขาก็หยุดนะพอยกมือปุ๊บต่ออีกอ่าไปต่ออีกนะต่อจนจบเรื่องอะบางทีอะ่ะนะมันจะเป็นอย่างนั้นนะในเรื่องของการปฏิบัตินะมันจะเห็นไปแบบนี้นะออกจากพอออกจากนะออกจาก อ, าอานาคตครนี้ทั้งอานาคตทั้งปัจจุบันไอ้ทั้งอานาคตทั้งอดีตเนี่ยเราสามารถารู้เทรู้ทันนั้นนี่ เราะนี้จะไปไหนอจิตอะ่ะมันก็อยู่กับปัจจุบันได้ก็เรียกว่าทางสายกลางนะมันก็อยู่มันไม่มีทางไปแล้วอะ่ะมันไม่มีทางไปตอนนี้เรามานั่งยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมเนี่ยเหมือนกันนะความรู้สึกตัวนี่จะชัดชัดมากนะในเรื่องของการปฏิบัติแต่ว่าเริ่มแรกเนี่ยเราเราเราจะต้องต่อสู้กับนิวรณ์นี่นะในเรื่องของความง่วงเหงาห้านอนนะเรื่องของความคิด บางทีคิดดีเนี่ะทั้งวันเลยเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะชวนคิดแต่เรื่องดีๆนะพอคิดเรื่องดีพบเรานั่งยกมือไปก็คิดไปยกมือไปคิดไปแต่ก็คิดดีแต่เราอยู่กับความคิดทั้งหมดอยู่กับความคิดทั้งวันเลยความรู้สึกตัวไม่มีเลยนะอืมคิดดีแต่ลวเรารู้สึกยิ้มแต่นะบางทีเราเรารูึกว่าโอ้โหคนนี้ปฏิบัติธรรมได้อารมณ์น้าดูนะอืมแต่ได้อารมณ์ได้อารมณ์ความคิด คิดเดียวคิดปรุงแต่งไปทั้งวันเลยออกนั่นไปนี่ออกนี่ไปนู่นทั้งวันเลยนั่งยกมือเหมือนกันแต่ยกมือนี่เขาเรียกว่าพอยกเป็นแล้วเนี่ยถึงเรานั่งคิดอยู่มันก็ยกได้นะเออไม่รู้สึกหรอกเนี่ยยกไปยกไปแต่ว่ามันคิดคิดไปแต่ว่าถ้ามัรู้สึกติดตัวจริงๆปุ๊บเนี่ยความรู้สึกตัวมันจะชัดพอความคิดมาชนปุ๊บรู้สึกตัวความคิดชนปุ๊บรู้สึกตัวคิดมาชนปุ๊บรู้สึกตัวน่ะ เขาก็สามารถที่จะอยู่กับปัจจุบันได้นานในในเรื่องของการปฏิบัตินะแต่ว่าคิดดีเนี่ยมันจะไปยาวอนะเรามาปฏิบัติทำเนี่ยพอปฏิบัติไปปฏิบัติมาเนี่ยความคิดที่ดีๆมาเนี่ยเราก็คิดว่าเออใช่ละใช่ละใช่ละนะก็คิดมันก็คิดต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยนั่งยกมือการที่จริงคนที่จะกลับมารู้สึกที่มือแต่ว่ามันไปนรู้สึกที่ความคิดตามความคิดไปคิด อย่างนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นต่อต่อต่อวันหนึ่งบางทีไม่รู้สึกตัวเลยเดินจงกรมเหมือนกันเดินยงกรมเหมือนกันนะเดินยงกรมบางทีเราก็ไปกับความคิดเดินเดินไปกับความคิดนั่นแหละแต่ความรู้สึกตัวไม่มีเนี่ยมันมันก็ยากเหมือนกันนะในในเรื่องเนี้บางบางทีเราก็ต้องเราต้องสังเกตอะในเรื่องของการปฏิบัติอาเราล้างยกมือมันรู้สึกตัวจริงไหมนะรู้สึกตัวจริงไหมแต่เราไม่ได้ไปเพ่งไปจ้องนะเราก็ทําแบบสบายๆเนี่ยอาพอคิดมารู้ อ่าพอรู้ปุ๊บมันก็นผ่านไปคิดมารู้ปุ aut, ๊บมันก็นผ่านไปนี่ยพอผ่านไปนะแต่บางทีเนี่ยเราคิดว่ามันอ่าความคิดเนี่ยมันจะเราจะไปค อ, คอยจ้องจับความคิดพอเรารู้ความคิดแล้วโอ้มันมาอย่างนี้มา่างนี้มา่งี้แต่ว่ามันไปรู้แท่ใจเรานึกคิดเฉยๆนะใจเรานึกคิดเนี่ยเราจะไปดูตรงนั้นเขาเรียวกว่านามารูปเราจะไปดูตรงนั้นแต่ว่ารูปที่มากระทบข้างนอกเนี่ย เราไม่ทันเขาอีกพอตาเห็นรูปปุ๊บไปแล้วใครมามากี่คนไ ป, ไปอีกแล้วออกไปอีกแล้วนั่งยกมือก็ไม่รู้สึกอีกนะมันก็ไปตามเข้าไปตามเข้าไปอ้าพอหูนะออกข้างหูก็พอหูได้ยินปุ๊บนะเสียงมากระทบหูนะพอมากระทบปุ๊บอ้ารูปนะมากระทบอา้าวนั่งยกมือไปก็ฟังนี่เขาคุยอะไรกันเขาพูดอะไรกันก็เหมือนการพูดเหมือนกัน ถ้าการพูดเนะี่ยเหมือนหลวงพอ่อท่านพูดท่านเทศเนี่ยท่านแนะนำเราเนี่ยแต่ถ้าเรานั่งยกมืออยู่เนี่ยเราลองสังเกตดูว่าเรานั่งยกมือเนี่ยเรารู้เรารู้สึกตัวไหมเราไปลื้อไปรู้สึกอยู่ที่เสียงรู้สึกอยู่ที่เสียงเขาบอกว่ายกมือสร้างจังหวะแล้วก็การฟังธรรมเนี่ยได้ไหมได้แต่ว่ามันก็จะเป็นคนละส่วนเสียง แล้วก็ฟังฟังผ่านผ่านผ่านแต่ความรู้สึกตัวเนี่ยเราจะชัดเราก็อยู่กับการเคลื่อนไหวเสียงก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปแต่ตรงไหนที่มันตันใจเราปึ๊บเนี่ยเราไม่ต้องไปนั่นเลยเราไม่ต้องเอาสมุดไปเขียนไม่ต้องเอาปากกาไปเขียนเขาจะบันทึกไปเลยปุ๊บแต่เขาจะบันทึกไวเ้ว เ, ไวเองเขาเองขอให้ความรู้สึกตัวเราชัดเขาจะบันทึกเขาจะเลือกข้อมูลเขาเอง เขาจะคับจัดสรรเขาเองเราไม่ต้องไปเอาสมุดจดเวยกลัวลืมอันนั้นลืมอนี้แต่พอเราปฏิบัติไปพอปฏิบัติไปถึงจริงเราจะรู้เหมือนเหมือนที่ท่านรู้เหมือนที่ท่านบอกอีคาคําที่ท่านพูดเนี่ยมันจะไปถึงบางอ้อตรงเนี้ยเหมือนกันคําที่เราสวดเหมือนกันคําที่อกูบาอาจารย์สอนเหมือนกันเนี่ยตรงตรงนี้ก็เหมือนกันเนีเราก็จะเข้าใจเริ่มแรกเนี่ยบางทีเราฟังอะไรยังไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าพอเราทําไปเนี่ย เหมือนกันเหมือนเหมือนเราเราดูแผนที่เราดูแผนที่แต่เรายังไม่ได้เดินทางอันนี้เราเราไม่ต้องดูแผนที่แต่ว่าเรามีคนนําคนนําก็คือท่านพาเราปฏิบัติเลยพูดให้ฟังแล้วก็พาทําเลยพูดให้ฟังแล้วก็พาทําเลยพาไปด้วยน่ยพาไปด้วยแล้วก็พาทำพาเดินทางด้วยมันก็ง่ายนีเราไม่ต้องไปค้นคว้าหาแต่ที่มันยังค้างคา ตัวไหนที่เรายังไม่เข้าใจเราก็ไปทําต่อก็คือเดินทางต่อเราก็จะเข้าใจเองเน่ะตรงนั้นน่ะมันจะง่ายขึ้นแต่ก่อนอาตมาฟังไม่รู้เรื่องนะฟังครูบาอาจารย์ก็ไม่รู้เรื่องฟังหลวงพ่อเทียนยิ่งไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยคําที่หลวงพ่อเทียนพูดเนี่ยไม่รู้พูดเรื่องอะไรอืมเพราะว่าเราไม่เราไม่เราไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยนะพอเรามาปฏิบัติปฏิบัติก็ยังไม่เข้าใจถ้าเรายังไม่รู้เรื่องอารมณ์รูปนามันจะไม่เข้าใจ แต่พอรู้เรื่องเรื่องนี้แล้วนะครูบาอาจารย์องค์ไหนพูดให้ฟังนะเราจะเข้าใจหมดนะมันจะเข้าใจหมดเลยแล้วก็มันจะจริงหรือไม่จริงเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่เนี่ยเราก็สามารถที่จะรู้ได้เหมือนกันอย่างในเรื่องของการปฏิบัติก็อยากจะให้ญาติโยมเนะี่ยในเรื่องของนิวรณ์นี่แหละผ่าน ห้าด่านนี้ได้แต่บางคนคงผ่านได้นะคงผ่านได้แต่ตมนี่เรื่องของความม่วงเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่นั่นมานะมันก็แก้ได้ง่ายมันก็มีอยู่นะความม่วงแต่ว่าพอมันมาปุ๊บนี่ทนปุ๊บนี่เรารู้วิธีนะรู้วิธีนะรู้วิธีเราก็ไม่ไปอยู่กับมันละนะไม่ไปกับเขานะเราก็สามารถที่จะออกจากตรงนั้นมาได้นะในเรื่องความม่วงในเรื่องความคิด มันก็เป็นธรรมชาติของเขานะเราจะจะไปห้ามความคิดก็ไม่ได้นะเพราะความคิดเขาทําหน้าที่ของเขาเขาจะทําหน้าที่ของเขาโดยธรรมชาติเลยทุกอย่างเราแค่มาศึกษาธรรมชาติให้มันรู้ตามความเป็นจริงรุดธรรมชาติแค่นั้นเองนะเป็นผู้ดนะูเป็นผู้รู้นะแค่ดูรู้อย่างคำหลวงพ่อเทียนบอกรู้รู้เฉยๆนั่นแหละนะรู้เฉยๆ รู้ตัวนี้มันรู้เฉยๆตัวนี้มันไม่ใช่ธรรมดานะรู้เฉยๆตัวนนะ เ, เ, เนี้ยนะรู้รู้ซื่อๆรู้เฉยๆเนี่ยรู้แบบไม่มีอะไรเนี่ยนะไม่ไปเกี่ยวข้องกับอะไรนะก็อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของอาตมานะในเรื่องของการปฏิบัติแต่ของเรานี่ก็พยายามนะมันปวดเมื่อยเราก็เปลี่ยนเรานะเปลี่ย น, นเพราะว่าอาตมานี่เป็นเป็นคนที่ ยังไงล่ะมันยากนะเป็นคนที่เป็นสติปัญญามันน้อยอ่นะแต่ว่ามีความอดทนสูงนะครูบาอาจารย์ให้ทําอะไรก็ทําทุกอย่างนะเพราะว่ามันยังไงล่ะเราสติปัญญามันแรมันไม่ค่อยทันเขานะในเรื่องของการปฏิบัตินี่เขามาทีหลังนะเขาไปละออกหน้าเราไปลุยเรื่อยๆแต่เราเดินไม่หยุดนะเราก็เดินไม่หยุดเหมือนกันเขา ก็เหมือนหลวงพ่อท่านว่านะท่านมาเครื่องบินนี่เราเรามารถตู้นะแต่ว่าเราก็มาถึงเหมือนกันนะวันนี้วันนี้ก็มาถึงอ่ะก็มามาทันหลวงพ่อเหมือนกันแต่มาทีหลังมาถึงทีหลังนะนะมันก็เหมือนกันในเรื่องของการปฏิบัติอย่าทิ้งนะอย่าทิ้งเพราะว่าอันนี้มันเป็นชีวิตของเราทั้งชีวิตเลยนะในเรื่องของร่างกายและจิตใจนะแล้วเราสามารถเอาไปทำกับหน้าที่การงานเอาไปทากับ กินะจวัตรประจำวันของเราได้นะกนะ็เรื่องนี้มันมันสคัญนะสาคัญมากถ้าเรามีโอกาสนะได้ทําต่อเนื่องก็จะดีนะทต่อเนื่องก็คือทํากับงานกับการเราที่เราทำทุกวันนี่แหละนะเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะมีเวลาน้อยเราไม่ได้มีเวลาจะเข้ามาปฏิบัติเจ็ดวันสิบห้าวันหรือหนึ่งเดือนไปเก็บอารมณ์แบบนี้เราก็เก็บไปเรื่อย เก็บทุกวันทุกวันตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาอนะ่เราก็รู้สึกตัวเก็บที่เราพับที่นอนทําอะไรเราจะทําหน้าที่อะไรก็ให้เรารู้สึกตัวใส่ตัวรู้เข้าไปนะในเรื่องของการทํางานแต่ก่อนอาตามาก็ทําให้เป็นอ่านะทำทำงานกับงานทาเจริญสติกับงานไม่เป็นนะแต่ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนแต่สอนก็หงดมีติดอารมณ์เพราะว่าเราปฏิบัติติดเราจะเก็บอารมณ์อย่างเดียวจะปฏิบัติอย่างเดียวแต่งานเราไม่เอาถ้าให้ทํางานนี้ เป็นโกรธขึ้นมาเลยเป็นหงุดหงิดขึ้นมาเลยเอ๊ะทำไมเรามาปฏิบัติทําไมทําไมต้องให้เรามาทํางานเออมันมันหงุดหงิดแล้วก็ไม่พอใจขึ้นมาเลยนะแต่ว่าถ้าให้เก็บอารมณ์เนี่ยดีนะใ ห, ให้เก็บอารมณ์ให้ปฏิบัติในรูปแบบนั่งยกมือตั้งยิ้วทั้งวันก็อยู่ได้แต่ให้มาทํางานก็เป็นโกรธขึ้นมาเลยเอ๊ะปฏิบัติทํามันถูกหรือเปล่าเนี่ยอืมัตมาก็มาดูตเองไง ปฏิบัติทําไหนเขาว่ามันลดความโลภความโกรธความหลงก็ทำไมยังมันยังมีเหมือนเดิมะพอให้มาทํางานไม่พอใจอีกแล้วแต่มาช่วงหลังะก็ฝืนนะฝืนให้ทําก็ทําแต่ก็ทําด้วยความหงุดหงิดอันนี้มันก็ทุกข์เหมือนกันนะทําด้วยความทุกข์กงานทนะํางานทำทําเพราะไม่ก็คือทำเพราะความจําเป็นคือใช้มาจะไม่ทําก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ทําด้วยความเต็มใจมันก็ทําด้วยความทุกข์ พอทำไปทำมาทำมาทาไปมันก็ทุกข์มากเอ๊ะทำงานนี่ทาไมมันเป็นอย่างนี้นะพอทำไปทำมาวันนั้นแดดร้อนมากแดดก็ร้อนแต่เอา้าทำงานตากแดดร้อนพอร้อนปุ๊บนะพอร้อนเราก็ทำทนทำไปทำไปอารมณ์มันก็ร้อนตามแดดขึ้นเดดขึ้นโอ้แบบนี้ไม่อยู่แล้วเว้ยมาปฏิบัติแบบนี้นะมันก็ปรุงแต่งไปนั่นไปนั่นมาแต่มันก็ทนทานะทาไปทามา พอไปจับคอนคอนตีตะปูจับคอนปุ๊บจับค้อนอี๋อันนี้มันก็รู้สึกตัวนี่รู้สึกตัวได้นี่พอคำามารู้สึกตัวได้มันลองทํำเลยทํางานทําอะไรทํานั่นไปทําทํามามันรู้สึกตัวมาเลยทํางานจับอนุ่นจับอันนี้เดินไปนู่นนั่งลุกรู้สึกตัวอีกเขาเนี้ยเนี่ยช่วงที่สองที่อาตมามาทํางานเป็นนรู้สึกตัวได้การกระทํางานคราวนี้สบายเลยคราวนี้ ทำงานก็คือการปฏิบัติอยู่ในรูปแบบก็คือการปฏิบัติจะทำอะไรทั้งหมดซักผ้าซักอะไรทำความสะอาดศ า, าลาล้างห้องน้ำหรือว่าอยู่ยังไงก็เหมือนกันนะเราก็สามารถอยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยมันพอมันขยายออกมาขยายมาครั้นี้เราทำงานสบายเลยนะอยู่กับงานทำงานหนักงานเบาอะไรได้หมดใครจะมาทเละทาห้องน้าเนี่ย ทำใหม่ๆเนี่ยบางทีเราทําเสร็จปุ๊บนี่นะบางทีเราทําเสร็จเขาเข้ามานี่โอ้โหรอยเท้าให้เต็มไปหมดเลยแต่ก่อนนี่โอ้โหด่าเละเลยตัวเ ก, ก, กบ้างอะไรบ้างนะจะด่าจะด่าเข้าหมดเลยนะเราเราเป็นผู้ดูแลนี่ใช่ไหมอยากให้มันสะอาดอ่ะเราไปติดความสะอาดติดดีแต่พอมาช่วงหลังนี้ เ, เละก็ทําใหม่เละก็ทําได้อ่ามันเกิด จิตของเราก็เป็นปกติคร่ะเนี่ยจิตของเราก็อยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยตรงตรงเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นใจดีไม่ใช่ดีใจนะใจดีนะใครจะมาว่ายัางไงใครจะทำยังไงอะไรยังไงก็เราก็อยู่ได้เนี่เหมือนเหมือนทุกวันนี้ก็อาตมาก็อยู่กับพระหนุ่มนะพระพระเยอะนะที่ที่วัดนนะอยู่กับพระหนุ่มแล้วก็มาโอ้โหยนะน ะ, นะ ม, มาเถอะนะ แต่เราก็อยู่เขาได้เพราะว่าเราเราก็รู้ว่าเราจะทำยังไงกับตัวตัวเราเองเนี่ยเขาก็เป็นครูสอนเราก็ดีที่มีครูสอนเราธรรมะเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ว่าจะจะต้องมาให้ครูบาอาจารย์สอนบอกเรานะพวกเรานี่แหละเป็นครูของทุกคนได้เลยญาติโยมก็เป็นเป็นครูสอนได้เป็นอาจารย์ได้เนรน้อยก็เป็นอาจารย์สอนได้ สอนได้ถ้าเรารู้รู้จักนะเขาทําให้เราโกรธพุ่มเนี่ยอืมเออเนี่ยอาจารย์สอนเรานะก็ทําให้เราเห็นนะนเนี่ยนเนี่ยเนี่ยถ้าเราเขาไม่ทําให้เราโกรธเราก็จะไม่เห็นความโกรธของเราว่ามันยังมีหรือหรือไม่มีมันเหลือน้อยเหลือมากเนี่ยเราก็จะเห็นตรงนี้นะนะเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยอาตมาว่าอันนี้สงนี่ไม่รู้จะเอาอะไรมามาม า, มาเทียบได้นะอาตมาว่า อาตมาก็เหมือนเหมือนได้เกิดใหม่นะชีวิตได้เกิดใหม่อาตมาก็เลยไม่ท้อแท้ในเรื่องนี้แต่ก็ไม่มีมีเวลา่อยเด้มาช่วยหลวงพ่อเพราะว่าทางทางน้นก็งานเยอะเหมือนกันงานอบรมการปฏิบัติทั้งโรงเรียนทั้งโรงพยาบาล น, นะก็ ก, ก็ก็มีเข้ามาประจำมีโอกาสบางทีหลวงพ่อบอกปะปะนะมีโอกาสแล้วก็ได้ไ ด, ได้เข้ามาช่วยหลวงพ่อ นะในเป็นบางงานนะา ง, งานก็ตรงกันบางทนะีช่วงไหนที่ตรงกันก็ไม่ ไ, มได้ไปช่วยทางแพ่ก็เหมือนกันตนะาตมาก็อยู่แบบนี้แหละก็ทำหน้าที่แบบนี้แหละปฏิบัติก็ที่วัดก็ทำตลอดนะทุกวันไม่มีวันโกนไม่มีวันผ้าไม่มีวันหยุดนะไม่มีเข้าบรรษาออกพรรษ า, าก็อยู่อย่างนี้ ทำตั้งแต่ช่วงเที่ยงไปจงถึงสี่โมงคึ่งก็เลิกพ้าผ้าเลิอกอนะถ้าจะถ้ า, ถ, าถ้าประจําวันทําประจําวันก็ตั้งแต่นั่นะแหละต่เที่ยงไปนะช่วงเช้าก็ประมาณสองชั่วโมงนะก็ทำอือนี้แหละนะก็ให้กําลังใจนะสำหรับญาติโยมก็นั่งง่วงแล้วมั้งเนี่ยเนาะง่วงแล้วเนาะจะได้เดินมัง้งหรือเปล่าจะนั่งอีกสักพักนึงก่อนเนาะ เดีนะ๋ตจะมาจะได้ใช้จะได้งดเสียงนะใช้แล้วก็เราปฏิบัติกันเงียบๆสักพักหนึ่งเนาะก็เปลี่ยนอินทิยาบทก็แล้วกันนะใครใครเมื่อจะจัดก็พระเพียบซ้ายพระเพียบขวานะนั่งทับโซนบ้างนั่งขมาตาบ้างนะนะนะก็ของดเสียงแค่นี้ก่อน